ชั่วโมงที่ผ่านมาเรียกว่าสติของฉันมีฐานที่ตั้งเป็นเวทนาทั้งสุขมากและทุกขมากปรากฏชัดเจนแ จ, จ่มแจ๋วราวกับรูปทรงที่เห็นได้ด้วยตาเปล่าจิตมีความรู้ชัดถึงสภาพหรือลักษณะของสุขและทุกขตามจริงกระทั่งเข้าถึงธรรมชาติของความเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเช่นสุขคือสภาพที่สบาย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 ด้วยสุขภาพย่ำแย่เจ็บอดๆแอดอด อ, ด อ, ดอดมาตลอดมันไม่น่ารักเหมือนแมวบ้านที่ถูกประคบระงมเลี้ยงดูด้วยนมและข้าวน้ำดวงตาด้านๆของมันเล่งมองฉันด้วยแวววอนขอปากของมันขยับร้องเมียเม้ยวๆมี้วเล็กๆแบบไร้กำลังวังชาหน้าแปลกที่แม้มันมีสภาพสมเพศเพียงใด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 พอสัมผัสชนิดเข้าถึงทุกข์ในแมวตัวนั้นฉันจึงเห็นว่าสัตว์ทั้งหลายน่าเวทนาเสมอกันหมดหลงทาชั่วด้วยความไม่รู้จนตัวชุ่มบาปเสมอกันหมดเวียนว่ายหลงวนอยู่ในภพภูมิอันวิจิตรด้วยความสำคัญมั่นหมายว่าเกิดผลเดียวตายผลเดียวเสมอกันหมดแทบไม่อาจกระเดือกน้ำลายลงคอ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 รีบคว้ามันมารูปตัวปลอบอยังไม่รังเกียจเนื้อตัวสกปรกของมันเอาข้าวของที่เตรียมมาเทลงจานกระดาษให้มันราวกับเป็นเจ้าเหมียวที่บ้านถ้าทางมันดีใจออกหน้าออกตาตะกลุ่มตะกรามกินใหญ่ฉันปลื้มปีติจนสะอึกและสัมผัสความดีใจเฉพาะหน้าของมันอย่างชัดเจนกับทั้งรู้ซึงด้วยว่าความดีใจนั้น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 โดยความเป็นสภาพที่ปรากฏภายในและสภาพที่ปรากฏภายนอกด้วยมันเป็นอะไรที่ทำให้โลกทัศนัด ถ, ถึงกับเปลี่ยนแปลงเหมือนคนที่สะดุ้งเพราะได้ยินเสียงร้องเตือนใหระวังงูพิษบนพื้นขณะ ก, กำลังเดินหน้าะรื่นอยู่ในสวนดอกไม้วิจิตรพลันเหลือบมองพื้นก็พบงูเงี้ยวเี้ยวขอหน้าขยักขยแงชวนสยองกล้าวเสือคลานย้อเย้ไปหมด